บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งคำกราบทูลของท่านปิงขยะมานพที่ได้กราบมาแล้วในวันก่อนนั้นท่านได้แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ท่านกำลังไปเชิญอยู่คือความแก่ที่มีความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปธรรม ต่างๆซึ่งก็หมายความว่าเป็นการมองเห็นในแนวของทุกขสัตย์นั่นเองแต่ปัญหาสำคัญที่ท่านต้องการให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมก็คือทมอย่างไรท่านจึงจะไม่ต้องไปสู่สภาวะเช่นนั้นอีกดังนั้นท่านจึงกล่าวในช่วงที่สองว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าบด้สัตโปรดบอกธรรมะ ที่เมื่อข้าพระองค์ปฏิบัติตามแล้วจะพ้นจากชาติและชาราไปได้คำว่าธรรมะที่พึงประสงค์ในที่นี้ในแง่ของธรรมะปฏิบัติก็คือกลุ่มของมารกษัตริย์ที่ท่านใช้คำว่าพเวตประธรมรมคือธรรมะที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติในส่วนนี้แล้ว ผลของธรรมะที่ปรากฏนั้นจะทำหน้าที่สลายเหตุแห่งความทุกข์ไปความทุกข์ซึ่งปรากฏในลักษณะต่างๆก็จะบรรเทาเบบางลงไปและถ้าผลของการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงจุดสุดยอดผลก็จะสุดยอดเหตุแห่งความทุกข์ก็จะดับไปอย่างสิ้นเชิงความทุกข์ก็จะดับไปโดยไม่เหลือ แล้ในเชิงของการปฏิบัติเราจะพบว่าทรงชัยทุกจุดที่บุคคลสามารถจะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กลุ่มธรรมเหล่านั้นจะอาจจะยกในส่วนของความทุกข์ในด้านต่างๆขึ้นมาพินิจพิจารณาในแนวของที่เรียกว่าอาทินวสัญญาคือมองเอ็นร่างกายของเราเป็นที่ประชุม ของสับโรคต่างๆซึ่งสุดที่จะนับจับประมาณได้ว่ามีโรคเท่าไหรบางครั้งจึงทรงใช้คำโดยสรุปว่าเป็นรังของโรคเป็นของเปื่อยหน้าผุพังและเป็นรังของโรคนั่นคือสภาวะที่แท้จริงของร่างกายเมื่อสภาวะที่แท้จริงเป็นอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วคนกลับมองโดยสภาวะหนึ่ง จึงก่อให้เกิดความกำนัดเพลิดเพลินยินดีเริงร่ลงอยู่ในส่วนของรูปธรรมทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองจนบางครั้งอาจจะต่อสู้ยื้อแย่งราดประหารกันเพื่อได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นรังของโรคเป็นของที่จะเปิดหน้าผุพังไปตามกาลคำเหล่านี้ถ้าเรามองไปในรูปวิเครสั์ ที่งใช้กำม่รูปก็ดีใช้คำว่าโลกก็ดีกำม่รูปนั้นคือหมายถึงสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยโลกนั้นหมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกตับไปเป็นธรรมดาก็จะเข้าใจความจริงว่าสภาวะที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายจนเกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีนั้นเป็นการกำหนดหมายในทางที่ผิด ก่อให้เกิดความยึดจิตความบิตกกังวลความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆและการแสดงในแนวนี้บางทีก็เน้นไปในสายของทุกข์ซึ่งปรากฏในลักษณะต่างๆแต่บางครั้งจะสรงเน้นไปใ น, ในสายของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และเกิดภัยอันตรายในรูปอื่นเช่นทรงแสดงซึ่ ง, งถึงสภาวะของร่างกายโดยสรุปว่า ร่างกายนี้อันโครงร่างของกระดูกประมาณสามร้อยท่อนมาเกาะกุมกันเข้ารังรัดไว้ด้วยเส้นเอ็นจับทาไว้ด้วยเนื้อปกปิดไว้ด้วยหนังแต่ว่ากลับเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะของบุคคลทั้งหลายบุคคลมีความรู้สึกตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขาจนถึงกระดูมินบุคคลอื่น ทั้งั้ที่โดยสภาวะที่แท้จริงแล้วทั้งเราและคนอื่นเมื่อมองในแง่ของความจริงก็คือเป็นที่ประชุมแห่งซากศพมีผมขนเป็นต้นแต่ถ้ามองให้ลึกขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นที่ประชุมของาธาตุทั้งสหรือาธาตุทั้งหคนอื่นก็เป็นาธาตุทั้งหแม้เราเองก็เป็นาธาตุทั้งหกเราเองก็ขึ้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยและคนอื่นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย ทังเราทั้งคนอื่นนั้นเป็นรังของโรคเป็นที่ประชุมของโรคและในที่สุดก็จะจบลงที่ความตายคือแตกตับไปในที่สุด ถ, ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจในแง่ความจริงทั้งสองด้านคือในแง่ของการสมมุติปัญญาและในแง่ความจริงที่แท้จริงพยายามที่จะให้ตนได้รู้แจ้งถึงความจริงทแท้จริงไปโดยดั่งดั่ ในชั้นศีลรำรจัญญิยาบุคคลก็จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตซึ่งเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปเจเนชั้นที่หยาบแะแรงที่สุดนั้นคือจะประกอบด้วยสมิมานะคือความเป็นเรากับความเป็นของเราสูงพอเจอกันก็ทำลายล่างกันอย่างสมดุลที่เราพูดว่างูเห่ากับพังพอ่อนคือเจอกันก็กัด ก, กันเลย แสดงเหตุตั้งความเป็นเราเป็นเขาสูงหรือคนที่เป็นศัตรูกันมาเจอกันก็ทําลายล่างกันเลยแต่ประการต่อมานั้นน่าจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแต่ต้องมีการกระตุ้นให้เกิดโทสะให้เกิดราคะให้เกิดโลภะเป็นต้นจะมีการกระทําที่ผิดออกไปในชั้นที่สามนั้นจะต้องอาศัยการกระตุ้นแรง อาจจะเ ก, เกิดจากการชักชวนเชิญชวนของบุคคลอื่นพื้นอัตยาสายของตนเองไม่แรงพอที่จะไปทำเช่นนั้นแต่เพราะไปรับเชื่อจากการชักชวนเชิญชวนของบุคคลอื่นเข้าก็ไปประกอบกระทากรรมที่เป็นทุจริตด้วยแรงของความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแั้งละการในทางพุทธศาสนาก็สอนเริ่มต้นมาจากบันไดขั้นที่สี่ให้บุคคลยังยอมรับความเป็นเราเป็นเขาจแต่ งดงดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งเราและเขาซึ่งอยู่ในชั้นของศิลแต่ในชั้นต่อไปเมื่อธรรมปฏิบัติสูงขึ้นบุคคลเข้าใจโลกในแง่ความจริงมากยิ่งขึ้นสามารถแยกในแง่สมมุติและแง่ความจริงที่แท้จริงที่ท่านเรียกว่าปรามัทิตย์ได้มากขึ้นก็จะมองเห็นคนทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลก หรือถ้ามองเต็มรูปก็คือร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่สวดแผ่เมตตากันอยู่ความรู้สึกในทํานองเมตตาก็จะบังเกิดขึ้นนั้นธรรมาชั้นศีลธรรมจัญญาท่นจึงกล่าวว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้เพราะอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกทำตนเป็นอุปมา เราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ชั้นใดคนอื่นสักอื่นก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันเฉะนั้นและการปฏิบัติตนก็จะมีความสํารวมระวังไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นทั้งพร้อมที่จะแสดงเมตตาออกมาทางกายทางวาจ า, าและทางใจแต่พอการปฏิบัติไปถึงอีกขั้นหนึ่งความเป็นตัวเป็นต น, ตนตก็จะน้อยลงโดยลําดับ ไม่มีทั้งเราและไม่มีทั้งเขาเพราะแท้จริงแล้วสังขารธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดังกล่าวก็จะมองเห็นในแง่ของความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายชีวิตของบุคคลแต่ละคนก็เป็นสังขรารธรรมคือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นมาทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรมในที่สุดก็จะถ่ายถอนอตตสัญญาคือความเป็นตนออกไป เมื่อความเป็นตนไม่มีความเป็นของตนก็ไม่มีและความเป็นเราเป็นเขาก็จะหมดตามไปด้วยก็จะอยู่โลกอยู่ในโลกด้วยความการุณาต่อคนทั้งหลายที่ยังยึดถือความเป็นเราเป็นเขาและเป็นพวกเราพวกเขาอยู่อย่างการอยู่ในโลกของพระพุทธเจ้าและพระหัน์ทั้งหลายทตนี้ก็เป็นเรื่องของบันไดธรรมะที่ค่อยๆปีนป่ายขึ้นไป ให้สัมผัสความสุขความสงบเพิ่มมากยิ่งขึ้นลดความทุกข์ความเดือดร้อนความรุนแรงในชีวิตให้เบาบางลงโดยดั่งับนี่แสดงว่าเป็นการมองจากจุดของความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นและตัวส ม, มุทัยคือเหตุให้เกิ ด, กดทุกข์ก็ช่วยให้บุคคลลดละกิเลสเป็นเหตุแห่งความยึดถือลงไปได้อย่างน้อยก็ในชั้นที่ เป็นความสวัสดีแก่ตนคือชั้นสินธแต่เนื่องจากท่านปิงคิจก็กราวทูล ถ, ถามถึงผลสูงสุดคือการหลุดพ้นจากชาติและชรลาธรรมาชาติและชลานั้นพิงเข้าใจว่าท่านอาจจะใช้คำอื่นก็ได้เพราะในกระบวนของผลที่เป็นความทุกขนั้นเราจะพูดรวมๆ ม, มาพ้นจากทุกก็ได้ เรือจะพ้นจากความแก่ก็ได้หรือพ้นจากความตายก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้คือกระบวนการของมันเราจับมาจากตรงไหนก็ได้แต่ถ้าแก้ก็ต้องแก้ที่ตัวเหตุของมันเพราะสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นโบหารในการพูดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมที่ไปสู่จุดหมายสูงสุดเช่นนี้ ถ้าในแนวของการภาวนาหรือการบำเพ็ญเพียรก็จะอยู่ในแวดวงของธรรมะที่ท่านใช้คำว่าโพธิปักเกียรธรรมถือเป็นกลุ่มของธรรมกลุ่มหนึ่งที่เน้นไปในด้านสมาธิกับด้านปัญญาโดยเฉพาะคือพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานให้บุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติในส่วนของธรรมะ ทำนองคล้ายๆกับให้บุคคลจุดไฟขึ้นโดยไม่ต้องพูดถึงความมืดแต่เมื่อบุคคลจุดไฟขึ้นความมืดก็จะค่อยหายไปเองในจุดที่มีแสงสว่างจะไม่มีความมืดปรากฏอยู่เพราะในจุดของธรรมะก็จะไม่มีกิเลสปรากฏอยู่ธรรมะเหล่านี้ได้แก่ภูมิสติปัฏฐานสี่เป็นต้นไปแต่เฉพาะในที่นี้จะพูด ถึงข้อหนึ่งคือเรื่องของอิทธิบาททั้งสี่ประการอิทธิบาทนั้นเป็นธรรมะระดับสูงคือระดับกลุ่มโพธิปักจียธรรมแต่ส่วนมากเราเอามาพูดคือตัดมาพูดไม่ไดเอามาพูดทั้งหมดเพราะในเชิงของการประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วจะต้องมีการเสริมสร้างขึ้นจนเป็นหลักเป็นประธานมีความเพียรเป็นตัวกำกับ และจิตใจมีความตั้งมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและก่อให้เกิดเป็นกระบวนธรรมที่หมุนเพิ่มความเข้มข้นทำนองคล้ายๆกับกวนยาหรือกวนขนมต่างๆครุกคร้าก็เป็นเนื้อเดียวกันธรรมะกลุ่มกลุ่มนี้เป็นธรรมะในลักษณะหมุนซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างนั้นจะต้องครบทั้งสีประการ ขาดตกไปในส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีตำนองคล้ายๆกับยาขนาดหนึ่งที่ท่านบอกเครื่องปรุงเอาไว้ตามสัสดส่วนของสิ่งนั้นๆถ้าเกิดมีความบกพร่องไปหรือขาดไปยานั้นก็ไม่อาจที่จะบำบัดโรคตามที่ท่านแสดงไปได้องค์ธรรมกลุ่มนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ในการเรียงที่จําทรงกันโดยทั่วไปก็มองในแง่ของฉันทักคือความพอใจในสิ่งนั้นแต่ที่ท่านเรียกเต็มในพระบาลีท่านไม่เรียกเท่านี้ท่านเรียกเต็มเป็นคําบาลีว่าฉันทัสมาธิปทานะสังขารคือใช้คําอย่างนี้ตลอดทั้งสี่องค์ธรรมซึ่งหมายความว่าเป็นการปรุงขึ้นเพิ่มพูนปัจจัยขึ้นจนเป็นหลักเป็นประธานและมีความมั่นคงแน่วแน่ ในสิ่งที่ตนไปปลูกฝังความพอใจแต่ว่าก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจนั้นจะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเสียก่อนแม้แต่การเลือกอารมณ์ของกรรมฐานเลือกสถานที่ปฏิบัติกรรมฐานเลือกเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมเป็นต้นจะต้องเลือกให้ได้ถูกต้องแล้วค่อยปลูกฝังความพอใจในตอนนั้น ไม่ใช่ว่าพอใจเรื่อยๆไปอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเป็นกระบวนการของการวินิจฉัยตัดสินสิ่งต่างๆที่เริ่มต้นโดยรู้จิคือความพอใจทรงวินิจฉัยว่าบางครั้งอาจจะถูกก็ได้บางครั้งอาจจะผิดก็ได้กือสิ่งที่เราพอใจแต่ถ้าจะให้ถูกอย่างเดียวก่อนที่จะปลูกฝังความพอใจก็ต้องใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาเสียก่อน ยานในแนวนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นว่าทรงสอนไว้ในแนวที่เรียเราเรียกว่าสับปายะหรือสัมไปชัญญะก็คือการใช้ปัญญานั่นเองในการปฏิบัติธรรมะในชั้นของจิตใจนั้นจะต้องมีเหตุปัจจัยเกื้อกูดมากไม่จะไานิ่งๆทมได้ง่ายๆเพราะทำได้ง่ายก็ไปมักผลกันหมดแล้วท่านจึงเลือกสิ่งที่เป็น สนใจคำว่าสบายคือเราต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหตุการณ์บุคคลด่านั้นและรู้สึกสบายได้แก่เรื่องอากาศที่เกือกอกเก้อกูลต่อการปฏิบัติสถานที่คคซึ่งเกื้อกูลต่อการปฏิบัติบุคคลซึ่งเกื้อกูลต่อการปฏิบัติอาหารที่รับประทานเข้าไปเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมะ หืออารมณ์ที่กําหนดระลึกยกตัวอย่างในกรณีของสมถ ก, กรรมฐานมุลหรือวิปัสสนากรรมฐานตัวรมนั้นจะต้องเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจของเราคือก่อให้เกิดความสบายใจเพราะถ้าหากว่ากระสรับกระสายนั้นถ้ากายกระสรับกระสายหรือใจกระสรับกระสายขอเพียงกระสรับกระสายสักอย่างมันก็ไปไม่รอดจนะในการปฏิบัติธรรมชั้นจิตใจนั้น ก็เน้นไปที่จิตต้องไม่กระสับกระสายพิทันใช้คำว่าธรรมะสับปายะเพราะถ้าหากว่าเกิดไม่พอใจในอารมณ์ที่กำหนดระลึกแล้วก็เลิกพูดเรื่องผ์กันดังการก่อนที่จะปลุกฝังความพอใจก็ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเสียก่อนธรรมะนั้นทรงจาแนกแสดงไว้โดยนิยตต่างๆ แต่พวกกลุ่มอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเป็นการแสดงเพื่อเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นที่เราทำแล้วเกิดความสงบขึ้นซึ่งเราอาจจะเกิดความสงบคนอื่นอาจจะไม่เกิดความสงบก็ได้แต่อารมณ์ที่คนอื่นเกิดความสงบสมรับเราอาจจะไม่สงบก็ได้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกพิเศษอะไรเราเคยเป็นเช่นนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ข้อนี้เองเป็นเหตุให้ทรงจำแนกแสดงออกไปโดยวิจิตพิสดารเพื่อบุคคลศึกษาในเชิงปริยัติคือศึกษาทุกข้อแต่เวลาปฏิบัติก็เลือกมาใช้ทีละข้อโดยเฉพาะข้อใดที่ตนเดินหน้าได้ก็เลือกปฏิบัติในข้อนั้นแต่การปลุกฝังความพอใจนั้นจะต้องไม่โยกคลอนท่านจึงใช้คำต่อท้ายออกไปโดยนัยยะที่กล่าวแล้ว ก้อ น, นี้เพิ่งสังเกตว่าไม่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะมีลักษณะโยกคลอนในมากเราอาจจะดูในชั้นการเรียนการศึกษาก็ได้เพราะนักเรียนในเข้าเช่นตัวอย่างข้าหมาวิทยาลัยปีหนึ่งจำนวนจะสูงมากแต่ตอนจบนั้นจํานวนจะน้อยหรือคนประกอบอาชีพด้านใดด้านหนึ่งตอนประกอบอาชีพนั้นจะมีบ้าง ที่ประสบความสําเร็จมีน้อยเพราะลักษณะ ส, สังคมจึงเป็นรูปกลวยรูปเจดีหรือรูปปิระมิดอยู่เสมอท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการปลูกฝังความพอใจนั้นง่ายแต่การดําเนินไปสู่เป้าหมายที่ตนปลูกฝังความพอใจนั้นยากเพราะบนเส้นทางสายนี้มีอุปสรรคอันตรายขัดขวางไว้มากเหลือเกินและมาจากภายในด้วยมาจากภายนอกด้วย อันั้นความพอใจจึงต้องไม่หวั่นไหวที่มีความมั่นคงและไม่ใช่พอใจเฉยๆจะต้องใช้ความเพียรพยายามในสิ่งที่ตนพอใจไ ม, ไม่ว่าพอใจจะละหรือพ อ, พอใจจะบำเพ็ญก็ตามพูดง่ายๆว่าพอใจจะเว้นหรือพอใจจะทาก็ตามจะต้องพอใจด้วยการทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เยาไปเย้มา เราจะพบว่าโดยสภาพจิตใจแล้วก็โยกไปเย้มาเรืยไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างท่านอุ ป, ปมาเห็นคล้ายๆกับผลไม้ที่วางอยู่ในที่ลื่นๆหรือใบไม้หรือหยาดน้ำที่หยดลงไปบนใบบัวมังกลิ้งไปกลิ้งมาไม่อยู่ดิ่ง จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแม้จะปลุกฝังความพอใจแล้วแต่ความจริงก็จะมีมานเข้ามาตัดรอดมานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากความคิดของตนเองมีความเบื่อหน่ายมีความทอดถอยมีการหลอกลวงตัวเองตลอดถึงละเลยสัจจ์ต่างต่างเป็นต้น จากนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อปลูกฝังความพอใจแล้วจะต้องใช้ความพยายามหรือความเพียรในที่นี้ทรงใช้คําว่าวิริยะซึ่งแปลว่ากล้าหาญข้อนี้เพิงสังเกตตัวอย่างการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นแม่บทในการปฏิบัติบาเพ็ญเพียรทางจิตของพุทธบริษัททั้งหลายรงปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามบนเส้นทางแห่งความพยายามนั้น มิอุปสัคขัดขวางสารพัดมารทุกรูปคือมารทั้งห้านั้นมาพจนครบหมดและพะจนอย่างต่อเนื่องยาวนานแม้แต่สรู้ไปแล้วก็ยังมีเทวปุตตมารม า, มาพจนอีกนี่เป็นการแสดงเห็นว่ากว่าจะถึงวันที่ตัดสรู้นั้นอิธิบายแต่ละข้อมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยลำดำับ บางครั้งมีสิ่งมายั่วจากภายนอกแต่พระองค์ก็ไม่โยกครอนหวั่นไหวอย่างเช่นที่ท่านเล่าถึงตอนจะเสด็จออกไปพญ า, ามารก็มาปรากฏตนบอกว่าศิทธะจะออกบวชเลยอีกเจ็ดวันท่านจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปหรือในโลกแต่พระไพระองค์ไม่หวั่นไหว ลงพอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าความเพี่ยนพยายามจึงพุ่งไปสู่เป้าหมายเด็ดดีได้เป็นความเพียนพยายามที่มีวิมังสาคือการใช้ปัญญาพิจารณากำกับด้วยไม่ใช่ว่าขืนทำไปโดยไม่มีทิศทางอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทำอย่างย่อหย่อนเพราะความเพียนพยายามปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นกิเลสยิ่งลึกกิเลสยิ่งละเอียด ความเพียรจะต้องแก่กล้าขึ้นเพราะถ้าความเพียรหย่อนแล้วบางอย่างมันก็ขจัดออกไปไม่ได้เพราะบางทีเราอาจจะไม่รู้วมันเป็นกิเลสโดยทั้งไปอาจจะมองเห็นเป็นธรรมะอาจจะมองเห็นเป็นนิพพานอาจจะมองเห็นเป็นสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ท่านแต่ก่อนท่านประสบพวกเห็นกันจะมีความเข้าใจกัน แม้แต่อาจารย์ของพระพุทธเจ้าสองท่านคือท่านอาราดาบทและอุตการดาบดังก็เข้าใจวันนั้นคือสุดท้ายแล้วเพราะอะไรเพราะความเพียรพยาไม่เต็มที่เจาะไม่ลึกวิมังสาตา่ำก็ทำนองกล้ายๆกับเรามองน้ำด้วยตาธรรมดาก็ไม่เห็นเชื่อโรคแต่ถ้าอกกล้องจุลทัศน์มาสองดูก็อาจจะเห็นชือโรคในน้า น, น, นั้นวิมังสาจึงเหมือนกับกล้องที่สามารถขยาย สิ่งต่างๆให้ชัดเจนทั้งส่วนคุณและส่วนโทษวิญญาณหรือความเพียร น, นั้นก็คือการกระทาเมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะอยู่ในองค์ธรรม4ประการหรืออ จ, จะมองเป็นสองประการก็ได้คือการละความชั่วประพฤติความดีต่ถ้ามองง่ายๆเป็นอย่างเดียวก็ได้คือเป็นความเพียรพยายามในการปฏิบัติ ศีล ส, สมาธิปัญญาในระดับใดระดับหนึ่งคือหมายความมาเน้นในระดับใดระดับหนึ่งแต่พึ่งเข้าใจว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญานั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและก็เป็นปัจจัยสนับสนุนกันปัญหาสําคัญว่าตอนไหนอยู่หัวตอนไหนอยู่ท้ายเท่า น, นั้นเองในความเป็นศีลก็มีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งมีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งในชั้นเป็นสมาธิก็ศีลเพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้ น, น, นในชั้นของปัญญา ศีลก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้ น, นปัญญาก็สูงขึ้นแต่ถ้าปัญญาสมบูรณ์ก็หมายความว่าศีลสมาธิสมบูรณ์คือจะไปสมบูรณ์ตอนปลายโดยข้างล่างไม่สมบูรณ์ไม่ได้ดนั้นเรื่องของความเพียรพยายามจึงทรงสอนในแนวที่เห็นความเคลื่อนไหวไว้บุคคลปลุกฝังความพอใจคือฉันทะยางการาบแล้วแล้วไม่ใช่พอใจเฉยๆให้ใช้ความพยายาม แล้วต้องพยายามอย่างต่อเนื่องที่ ท, ท่านใช้คำว่าวิริยังอารัปปิคือเป็นการกระทําที่ต่อเนื่องกันไปบางครั้งทรงอุปมาเห็นว่าหยาบทาเหมือนกับกิกก้งก่าวิ่งวิ่งหยุดหยุดกิ้งก่านั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่แกวิ่งไม่ต่อเนื่องส่วนมากจะวิ่งวิ่งหยุดหยุดแล้วก็มองท้ายมองขวาแล้วก็วิ่งก็หยุดหยุดอีกให้เป็นความเพียรที่ต่อเนื่องกันไป ปัญญาเป็นเครื่องปีนิพพิจานะจะต้องพิจารณานในตัวของความเพียรและต้องเป็นเห็นผลจากความเพียรพยายามผลนั้นเป็นเรื่องที่ดูได้ง่ายคือหมายความว่ากิเลส ต, ต้องลดลงไปบ้างและธรรมะต้องเพิ่มขึ้นบ้างถ้ากิเลสก็ไม่ลดธรรมะก็ไม่เพิ่มหรือดูตัวเพิ่มของธรรมะไม่ดูตัวลดก็ได้ระการเพิ่มของธรรมะนั้นแสดงว่ากิเลส ต, ต้องลด เป็นการมองสิ่งหนึ่งสะท้อนไปหาสิ่งหนึ่งเน้มองเห็นการลดของกิเลสก็แสดงว่าธรรมะเพิ่มขึ้นยกตัว อ, อย่างเช่นความรู้สึกตกคนคนหนึ่งอาจจะเกิดเป็นโทสะอยู่ก่อนคือความไม่ชอบอยู่ก่อนแต่ต่อมาวันหลังพบเข้ารู้สึกว่าความไม่ชอบนะั้นมันลดลงแสดงว่าประกายแห่งเมตตาเพิ่มขึ้น เพียงแต่ยังแสดงออกมาไม่ได้แต่นั้นเองในขณะนั้นแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะรู้สึกเฉยเฉยแสดงว่าประกายของเมตตาสูงขึ้นถ้ามีตัวกระตุ้นเช่นการกระทำของแกมีความอ่อนน้อมขึ้นเมตตาก็แสดงออกมาชัดได้ในขณะนั้นคือได้ปัจจัยบวกมาจากข้างนอกและการมองจึงอาจจะมองเฉพาะจุดดับก็ได้จุดละ ก, ก็ได้จุดจุดบำเพ็ญเพียรก็ได้ ส่วนในด้านจิตใจนั้นจะต้องมีจิตตะที่ท่านแปลว่ามีจิตใจจดจ่อมุ่งมั่นอยู่ในสิ่งนั้นผูดง่าว่ามีความตั้งใจจริงไม่โยกคลอนไม่หวั่นไหวและเปลียนพยายามปฏิบัติไปได้ในระดับใดบางครั้งทรงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับการทําศึกสงครามที่จริงการปฏิบัติธรรมะนั้นก็เหมือนกับการทําศึกสงคราม กร น, นีไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่การให้ทานท่านอุปมาว่าการทานการการให้ทานกับการสงครามนั่นเหมือนกันคือมีให้ได้แล้วก็ให้ไม่ได้การสงครามก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะแต่นั้นเป็นศึกภายนอกที่มาเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างแต่ศึกภายในคือความสนีความหวงความเสียดายหรือความโกรธเป็นต้นนั้นจะเป็นอุปสรรคขัด ขวางเจตนาในการให้ของเราเพราะเจตนาในการให้นั้นเกิดขึ้นเป็นเัมนมากยกตัวอย่างเช่นไปพราะเห็นเด็กพิการพราะเห็นคนยากไร้อนาถาพราะเห็นกิจกรรมที่เป็นกุศลเกิดกุศลและเจตนาขึ้นมาต้องการที่จะช่วยหรือต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมดอกนั้นถ้าไม่รีบทําในขณะนั้นไม่แน่เสมอไปว่าจะทําได้ถ้าทําได้หมายความว่ารบชนะ ถ้าทำไม่ได้หม้ความว้อแค้ต่ออำนาจของกิเลสในการปฏิบัติธรรม ก, ก็ต่อสู้กันอย่างนี้ตลอดเวลานั่งสมาธิก็เป็นเช่นเดียวกันบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีจิตใจมั่นคงแน่วแน่แล้วก็มีปัญญาพินิจพิจารณาสอดส่องอยู่เสมอทั้งสิ่งที่ปฏิบัติทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทั้ง ในการลดของความข อ, ของกิเลสและการเพิ่มของความดีด้วยการปฏิบัติเช่นนี้บุคคลก็จะเห็นความสงบความสะอาดความสงบตลอดถึงความสว่างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนส่วนจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขตที่บุคคลได้ประกอบกระทําลงไปแต่ที่แน่นอนเหลือเกินผ้าปฏิบัติไปโดยในยะนี้ผลจะต้องเกิดขึ้นตามสมควรกับการประพฤติปฏิบัติ ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป